ในวันนี้หลายวัดมารวมกันความมุ่งหมายก็ว่ามาช่วยกันจัดช่วยกันทำงานเกี่ยวกับการทำบุญอายุหลวงปู่ การกระทำทั้งนี้ก็ขอให้พากันคิดเสียว่าเราทำเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากคนหมู่มากกลัวจะได้รวมกันแต่ละครั้งนี่มันก็ต้องมีต้องจัดงานอย่างไรอย่างหนึ่งขึ้นปารกงานนั้นเป็นเหตุที่นี้ผูใ้ใดทราบข่าวเข้า เมื่อมีโอกาสก็ได้สลับเวลามาประชุมพร้อมเพียงกันถ้าหากว่าไม่มีการจัดงานอะไรขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ค่อยได้รวมกันในหมู่ใหญ่กเปเนได้เพียงหมู่น้อยที่มาพบกันมาร่วมบำเพ็ญบุญกุศลกันเพราะนั้นการทำบุญอายุนี่ ถ้าเราจะไปมุ่งหวังแต่เพียงว่ามาช่วยกันอวยชัยให้พรขอให้หลวงปู่มีอายุมั่นขนยืนไปนานๆอย่างนี้นี่มันก็ไม่มีความหมายเท่าไรหรอกอเพราะว่าชีวิตนี่มันเนื่องอยู่ด้วยบุญด้วยกรรมเมื่อหมดบุญหมดกรรมแล้วก็หมดชีวิตกัน แม้ว่าใครจะอวยชัยให้พอรอย่างไรอย่างไรมันก็คงจะไม่เป็นไปตามคำอำนวยอวยพรนั้น <c oughs> ในขราวครั้งหนึ่งพระศ า, าสดาเป็นวัดมีจามกันไปพอพระองค์จามทีไรพระสงค์ก็ให้พรท่านขอให้ทรงพระเจริญ อ่าขอให้ทรงมีสุขภาพอนามัยดีอะไรอย่างนั้นเนี่ยพระองค์ก็ได้ทรงทรงตัดแก่ภิกษุเหล่านั้นว่าคนเราจะมีอายุยืนเพราะการอวยใช้พรนั้นหรือ <c oughs> ความจริงแล้วคนเราไม่ได้มีอายุยืนยาวนานไปเพราะการอวยชัยให้พร น, นั้นเนื่องจากว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาของมัน <c oughs> ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมเราจึงทำกันอยู่ <c oughs> การทำนี่ เข้าใจว่าคงเป็นการแสดงความเคารพนับถือนั่นแหละ <c oughs> การแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือสักการะบูชาโดยฐานที่เป็นวัยยะอุโทโธผู้มีอายุสูงคุณนักอุโทโธผู้มีคุณความดีได้บำเพ็ญมานานอย่างนี้แหละ บรรดาผู้ที่เคารพนับถือได้มานึกถึงเหตุผลดังกล่าวมานี้ก็จึงได้จัดจึงได้ทำกันขึ้นอันนี้ถ้าพูดถึงประโยชน์ที่แท้จริงแล้วก็หมายถึงว่ามันก็เป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากนั่นแหละ <c oughs> คนหมู่มากได้มาร่วมประชุมสามัคคีกัน เป็นการจูงใจของคนผู้ที่มีศรัทธายัางอ่อนอยู่ให้เป็นผู้มีศรัทธาแก่กล้าขึ้นไปในธรรมดาผู้มีศรัทธายัางอ่อนอยู่นี่มันต้องอาศัยคนอื่นได้ชักได้จูงบ้างเช่นนั้นมันก็ถึงทำกุศลคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปได้ แต่ถ้ารำพังแต่ตนผู้เดียวไม่สามารถที่จะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้นี่แหละเพราะฉะนั้นในอภิริหานิยธร ร, รมนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้ว่าให้มันประชุมกันเนืองนิดนั่นเน <c oughs> เมื่อประชุมก็พร้อมเพียงกันประชุม เมื่อเลิกก็พร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงช่วยกันทำกิจธุระที่ควรทำอันนี้มันเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องสมัครส ม, มานไมตรีจิตซึ่งกันและกันให้มีความสมัครส ม, มานสามัคคีกันไม่จืดจางเ <c oughs> พราะได้ทำกรณียกิจร่วมกัน เรียกว่าทาได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่วมกันนั่นแ่ละถึงได้เป็นมิตรไมตรีจิตต่อกันไปได้นานแต่ถ้าต่างคนต่างอยู่อย่างเนี้ยไม่ร่วมกิจกรรมอะไรกันอย่างเนี้ยมันการผูกมิตรไมตรีจิตต่อกันก็ไม่มั่นคงอ่ะมักจะจืดจางได้ง่าย <c oughs> ด้วยเหตุชะนี้พระศาสดาก็จึงได้ทรง แสดงธรรมะต่างๆไวเออ้เพราะว่าสิ่งที่คนเราจะพึ่งกระทำต่อกันและกันนั้นมันก็มีอยู่แต่ถ้าทำโดยไม่ถูกทางมันก็ไม่เป็นมงคลออถ้าเราทำโดยถูกทางแล้วมันก็เกิดเป็นมงคลขึ้นมานำความเจริญให้แก่หมู่แก่คณนะแก่ส่วนรวม <c oughs> <c oughs> โดยเฉพาะพวกเราที่ได้มาประพฤติธรรมกันอยู่ในวัดวาอารามจะเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ดีอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำเป็นผู้นำมูเพราะว่าเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้าได้สละ สมบัติเข้าของเงินทองความผูกพันต่างๆในการครองเลือนมาประพฤติพรภมจรรย์ในพุทธศาสานาเพียอว่าเป็นผู้มาเพียนพยายามละชั่วทำดีให้เป็นตัวอย่างของคนทั้งหลาย <c oughs> นี่นะว่าเป็นผู้สำคัญนะ พวกคนที่มีอินทรีย์บารมีแก่กล้าจึงสามารถมาประพฤติพรหมจรรย์นี้ได้ถ้าว่าอินทรีย์บารมีไม่แก่กล้าแล้วทำไม่ได้เป็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เมื่อเราได้เข้าใจกันอย่างนี้แล้วต่างก็สำรวมกายวาจาใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในข้อวัดปฏิบัติ ด, ด้วยดี ทำใจของตอนให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึง่งอย่าให้มันเอียงไปข้างโน้นข้างนี <c oughs> ้ก็จะเป็นเครื่องจูงใจของผู้มีอินทรีย์อ่อนอยู่นั้นให้เต็มใจมาประพฤติปฏิบัติตามกันไปเพราะคนเรานั้นมันชอบความดี ถ้าเห็นคนอื่นทำดีเห็นเป็นตัวอย่างเ่าแล้วมันก็ชอบที่อยากจะทำตามสำหรับผู้ที่ไม่หนาเกินไปนะแต่สำหรับผู้ที่หนาเกินไปแล้วอย่างนี้ถ้าเห็นคนอื่นทำดีไม่ชอบก็มีหาทางกีดกันก็มีอย่างนี้แหละ <c oughs> ถ้าคนเป็นผู้ที่มีอินทรียบารมีอยู่บ้างเห็นคนอื่นทำดี เป็นตัวอย่างแล้วก็อยากแก่ทดลองดูบ้างแล้วก็จึงได้หันหน้าเข้ามาร่วมประชุมทำคุณงามความดีไปตามกำลังความสามารถเมื่อนา น, านไปอินทรีย์มันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นไปอย่างนี้เลยมันมันเรื่องอย่างนี้นะมันมีมาแต่ครั้งพุทธกาลเลยทีเดียวนะครั้งพุทธกาลนั้น หมายถึงบริษัททั้งสี่เหล่านี่แหละที่ได้พร้อมใจกันประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของผู้เผยเจ้าใครอยู่ในเพศไหนก็ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระองค์เจ้าทรงแต่งตั้งบัญญัติไว้ตามภูมิตามเพศของตนให้เต็มความสามารถ เช่นนี้ล่ะจึงเป็นเครื่องจูงใจของคนอื่นที่ยังไม่มีศรัทธาให้เกิดมีศรัทธาขึ้นให้มีการพักพร้อมสามาัคคีกันให้มากขึ้นโดยลำดับกับความเป็นมาของพุทธศาสนาเนี่ยก็ย่อมเป็นมาด้วยอาการอย่างนี้แหละแต่ว่าในครั้งพุทธกาลนั้น พ้าพเทเจ้าก็ดีภาษาวกท่านเป็นผู้ทรงคุณอันประเสริฐมากเรียกว่าทรงอรหัตตะคุณเพราะคุณคือความเป็นผู้ทาอาสวะกิเลสให้สิ้นไปจากกิจใจมีเป็นจำนวนมากหรือว่าทาอาสวะกิเลสให้หมดไปโดยเอกเทศบ้างหรือว่ากำลังภาคเพีเยพรพยายามปฏิบัต มุ่งต่อมกผลอยู่ก็มีมากมายเพราะฉะนั้นจึงเป็นเครื่องจูงใจของคนได้เป็นจำนวนมากสำหรับสมัยทุกวันนี้ผู้ที่จะบาเพ็ญจนปินตัวอย่างเป็นผู้นำของหมู่ของผู้อื่นได้เนี่ยมีจำนวนน้อยปรากฏว่ามีจำนวนน้อยไม่มากเหมือนครั้งพุทธกาล <c oughs> แต่ว่าสำหรับ ตกมาในสมัยนี้แล้วก็รู้สึกว่าตื่นตัวกันมาบ้างฟื้นฟูข้อวัดปฏิบัติกันขึ้นตามวัดว่าอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรอย่างนี้กนนับว่าพอที่จะมองเห็นว่าพุทธศาสนานี่ก็ยังจะเจริญไปอยู่ในระยะนี้นะต่อไปนี้แต่ก็ไปเรื่องหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะ เสื่อมลงไปเท่าไรอันนั้นก็เป็นเรื่องอนาคตกห็หมอบให้เป็นเรื่องอนาคตไปเสียเท่านั้นแหละไอ้พวกเรามาประพฤติทมถือเอาปัจจุบันเป็นหลักเพราะว่าเรื่องอดีตมันก็ล่วงมาแล้วเรื่องอนาคตก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราจึงจากัด ความรู้สึกนึกคิดของเราลงในปัจจุบันเ <c oughs> พราะชีวิตของคนเราถ้าเพ่งพิจานรณาดูจริงๆแล้วมันก็มีอยู่แค่ปัจจุบันนี้เท่านี้แหละอดีตก็ล่วงมาแล้วอนาคตก็ยังไม่ถึงไม่ทราบว่าลมหายใจนี่มันจะยุดติลงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้เลยดังนั้นถ้าพิจารณาถึงความจริงแล้วนะ ชีวิตนี้จึงซื่อว่ามีอยู่แค่ปัจจุบันแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เท่านี้เองไม่มีอะไรถ้าว่าผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ภาวนาหา ก, ากำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเครื่องกำหนดพิจารณาตัดสินใจละสิ่งที่ควรละ จเจริญสิ่งที่ควรจเจริญให้เกิดให้มีขึ้นอย่างนี้มันก็เป็นไปได้เลยเพราะว่าใจนะั้ น, ม, นมันไม่ได้ไม่ได้คิดฟุ้งไปในอดีตเรื่องที่ล่วงมาแล้วไม่ได้ไปยึดไปถือเอามันมาแล้วก็จิตไม่ได้คิดคาดการไปข้างหน้าข้างหน้าแล้วจะเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ไม่ไม่คิดมันไป ทำใดที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเราก็จเจริญทำนั้นไปเนืองเนืองพระศ า, าสดาทรงสอนนะทำอันใดที่ไม่กำเลิบหรือว่าทำอันใดที่ไม่วันไว้ควรจะเริญทำนั้นเนืองเนืองพระองค์เจ้าตรัสถ้าจะถือเอาใจความแท้แท่แล้วก็หมายความว่า ใจนี่แหละเมื่อเราฝึกให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วอย่างนี้ก็ให้พยายามรักษาจิตที่มันตั้งมั่นอยู่นี่ให้มันตั้งมั่นสม่ำเสมอไปอย่าให้มันหลงไหลยินดียินร้ายไปตามกระแสของโลก <c oughs> นเนี่ยเนี่ยต้องกำหนดรู้กำหนดละพร้อมกันไปในปัจจุบันนี้เสมอไป อย่าไปให้ใจมันยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่เป็นอดีตอนาคตด้วยความเสียใจดีใจจิงอยู่เราจะมาห้ามไม่ให้มันคิดถึงเรื่องอดีตอนาคตก็คงห้ามไม่ได้เรากรีดนี่นะแต่ว่าอย่าไปคิดไปด้วยความยินดียินร้ายความเสียใจความคับแค้นใจต่างๆนี่อย่าให้ใจมันแปลสภาพไปอย่างนั้น เพราะว่าเรื่องที่เป็นอดีตล่วงแล้วมาบางทีมันก็เป็นเรื่องดีก็มีเรื่องชั่วก็มีมันมันไม่ได้นั่นแหละถ้าหากว่าพูดผู้ที่มีเหตุที่ควรคิดไปถึงเรื่องอดีตคิดไปแล้วรู้แย่งตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่เสียใจไม่ดีใจอย่างนี้นี่มันก็ไม่มีโทษอะไรนั่นแหละที่มันเกิดเป็นโทษเป็นทุกข์ขึ้นมาก็เพราะ เมื่อคิดไปถึงแล้วนี่กุ้มใจขึ้นมาเรื่องที่เป็นมาแล้วอย่างนี้มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้ไปวิตกวิจารมีอย่างนั้นมันก็กลุ้มใจมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระศาสด า, า, าจึงได้ทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปคิดถึงมันเพราะว่าเรื่องที่ล่วงมาแล้วมันก็ดับไปแล้ว ที่มันยังปรากฏอยู่กับเพราะว่าใจนี่ไปคิดมันขึ้นมาปรุงแต่งมันขึ้นมาต่างหากมันถึงปรากฏขึ้นมาถ้าใจไม่คำนึงหามันแล้วมันดับไปเลยมันเองเมื่อเรื่องอนาคตก็เหมือนกันถ้าเราคิดไปมันก็ถึงมีขึ้นได้ถ้าไม่คิดถึงแล้วมันก็ไม่มีอะไร เรามองดูในปัจจุบันนี้มันก็เห็นแต่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างนะมันแต่ถ้าเราไม่พิจารณาให้ละเอียดนะมันจะไม่จะไม่รู้เลยว่าเกิดขึ้นแล้วดับไปสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกอันนี้นะถ้าว่าเราพิจารณาโดยถี่ท่วนลงไปอย่างเนี้ย มันก็เห็นได้เลยก็เช่นอย่างคนในโลกอันนี้นะโดยเฉพาะในประเทศไทยก็แล้วกันละนะวันไหนลราคนจะไม่ตายไม่มีสักวันเลยนี่แหละวันไหนคนจะไม่เกิดไม่มีสักวันเลยแทบจะคิดถั่วเป็นนาทีเป็นวินาทีนั่นแหละเรื่องเกิดเรื่องตายนี่นะถ้าคิดถั่วไปทั่วโลกนี่ยิ่ง โอ้วินาทีละเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยเกิดกับตายนี่นะนี่ถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดลงไปแล้วมันก็สมกับที่พระศาสดาทรงสอนให้พุทธบริษัทเจริญวิปัสสนานะให้พิจารณาเห็นความเกิดความดับแห่งสังขารธรรมทั้งหลายนั่นนะมันก็เป็นความจริงสิแต่ถ้าเราจะพิจารณาดู ชีวิตอันเป็นปัจจุวันนี่เท่านี้อา้าวก็ไม่เห็นมันเกิดมันดับอะไรนี่ก็เห็นเป็นอยู่อย่างนี้นี่มันก็ไปค้านกับคำสอนข้อนั้นแหละฮะนี่อ่มันเป็นงั้นมีปัจจุวันนี่มันก็มีเกิดมีดับอยู่เหมือนกันถ้าผู้พูดที่พิจารณาให้มันละเอียดลงไปนะอืมมีเกิดมีดับอยู่งั้นหละพูดถึงน้ำมาทำอย่างนี้อมันก็ยิ่งเกิดยิ่งดับอยู่อย่างนั้น รูปธปรรมก็เหมือนกันนะมันก็เกิดก็ดับอยู่เนะเช่นอย่างว่าเราดื่มน้ําเข้าไปนี่นะมันก็ไปหล่อเลี้ยงอัตภาพนี้ให้ให้ทรงอยู่ได้อแล้ววันนี้มันก็ถึงเวลาถ่ายก็ถ่ายออกไปนั่นเรียกว่าดับรูปดับอือย่างนี้แหละส่วนใดที่มันอ ที่มันเกิดมันที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันมันถ่ายเทออกไปอันนั้นเรียกว่ามันดับส่วนใดที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันยังอยู่นั่เรียกว่ามันเกิดมันทำให้อัตภาพร่างการนี้ทรงตัวอยู่ได้ส่วนใดมันเสียแล้วมันก็เป็นนั้นว่ามันดับไปรูปนั้นนะออเช่นอย่างว่าน้ำมูกน้ำลายอุจาระปัสสาวะอะไรโมเนียของเสีย ไหลแทออกไปนี่เรียกว่ารูปมันแตกมันดับไปแล้วนี่ทำไมถึงจะว่าไม่เกิดไม่ดับแล้วนี่ละอันวิปัสนาญาณการกำหนดรู้ความเกิดความดับเห็นทั้งขันทั้งหลายเนี่ยมันก็กำหนดรู้ตามสาภาพความจริงอย่างนี้เองไม่ใช่ว่าเราจะไปสมมติเอาอย่างโน้อนอย่างนี้ไปเฉยๆไม่ใช่ พี่นาให้มันเห็นตามความจริงที่มันเป็นไปนั่นน่ะ น, นั่นน่ะมันก็เป็นไปอย่างนั้นจริงจรงนี่ <c oughs> ทีนี้ถ้าเพ่งที่าจรณามากๆเข้าไปทันว่าเมื่อวิปัสสนานี่มันแก่กล้าเข้าไปฟอเลยเห็นแต่ดับอย่างเดียวเ <c oughs> ป็นอย่างนั้นเห็นแต่วความดับอย่างเดียวก็จริงเมื่อมัน เพ่งพิจารณาให้มันชัดๆเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีแต่ดับไปดับไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่น ะ, ะเป็นอยู่งั้นเน่ยเพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาท่านเพ่งพิจารณาดูอย่างนี้เห็นแจ้งประจักษ์ชัดด้วยปัญญาแล้วถึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมานั่นแหละแล้วก็จึงได้มองเห็นว่า สังขารทั้งหลายเหล่านี้นะเป็นเสมือนกับศัตรูนั่นแหละเป็นเป็นเป็นสังขารเหล่านี้มีภัยที่น่ากลัวนะเป็นภัยที่น่ากลัวนี่เลยเอา้าวทำไมถึงเป็นภัยที่น่ากลัวล่ะนี่แหละมันก็ยังมีข้อลี้รับอยู่ที่ว่ามันเป็นภัยที่น่ากลัวนะั่นหมายความว่า จิตนี่นะมาอาศัยอยู่กับของไม่เที่ยงเมื่ออัตภาพร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปโรคภัยเบียดเบียนเข้าเนี่ยมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่จิตนี่ก็วันไหวไปมาถ้าจิตนี้ไม่มีปัญญารู้จริงเห็นแจ้งทำจริงแล้วก็กลัวอะไรแบบนี้นะอืมธรรมดานะบุตุชนคนทั่วๆไปนี่นะ เมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงเนี่ยกลัวตายเลยนะมันสะ ด, ดุ้งหวาดกลัวขึ้นมาแล้วกลัวต่อทุกภัยอันตรายต่างๆหมดนี้นะความจริงแล้วความเจ็บความปวดทั้งหลายนนี้มันเป็นภัยที่น่ากลัวจริงๆ น, ะนั่นนะ <c oughs> เพราะว่ามันทรมานนี่ความรู้สึกของกิตนี่ไม่เป็นปกติอยู่ได้เลยเมื่อร่างกายอันนี้มันวิบวัแปรปรวนไป อย่างนี้แหละเหตุนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญปัญญานี่พิจารณาเห็นสังขารนี่เป็นภัยที่น่ากลัวนั่นแหละก็กลัวเลยเพราะว่ามันไม่สามารถจะบังคับมันได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังเลยถึงเวลามันจะวิบัติแปลพวนไปยังไงแล้วมันก็วิบัติแปลปวนไปตามหน้าที่ของมัน ใครจะไปบังคับไปต้านทานมันไม่ได้เลยดังนั้น <c oughs> จึงได้ทรงสอนให้กำหนดพิจารณาวิตกวิจารว่าทำอย่างไรหนอถึงจะพ้นจากภัยทิบั ต, ต่างๆเหล่านี้ไปได้นั่นแหละทำอย่างไรถึงจะพ้นจากภัยทิบฏแห่งสังขารเหล่านี้ ได้เมื่อเพ่งพิจารณาไปด้วยอํานาจแห่งปัญญาแล้วมันก็มองเห็นได้มองเห็นได้ว่าอา้าก็ต้องวางจิตให้เป็นกลางลงไป อ, อย่าให้ใจมันเอียงไปตามสังขารที่มันแปลปรนไปอยู่นั้นเช่นอย่ญญางเมื่อเวลาสังขารร่างกายอันนี้มัน เป็นปกติมีกำลังดีอย่างนี้ก็ไม่เพลิดเพลินนะไม่แสดงอาการเพลิดเพลินมัวเมาไปในความรักความใคร่ความสนุกสนานเพราะมันรู้ชัดอยู่แล้วนี่ว่าร่างกายนี้ถึงแม้มันจะเป็นปกติอยู่อย่างนี้มันก็เป็นปกติไปชั่วคราวเท่านั้นมันมันไม่ใช่ว่าเป็นปกติยั่งยืนอยู่ได้รู้แจ้งอย่างนี้ถึงไม่เพลินนะ ถ้าใครไม่พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วกบเปลิ่นแหลกทีนี้เมื่อเวลาสังขารร่างกายอันนี้มันวิบัติลงแปรปวนไปอย่างนี้ก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกเพราะว่าได้ฝึ ก, กจิตใจนี้ให้เป็นกลางมาแล้วด้วยอำนาจแห่งปัญญาไม่ใช่เป็นกลางไปเฉยๆต้องมีปัญญา ชี้แจงเหตุผลต่างๆให้จิตนี้ได้รู้ได้เห็นสภาพความจริงของสังขารเหล่านั้นดังนั้นน่ะจิตนี้จึงไม่เศร้าโศกเสียใจไปตามสังขารเมื่อเวลามันวิบัติแปรปวนไปจึงเป็นอันว่าจิตนี้อยู่ในระหว่างกลางแห่งความเจริญและความเสื่อมของสังขาร น, นามรูปต่างๆเหล่านี้ นี่นะการปฏิบัติทำในพุทธศาสนาเนี่ยมุ่งใช้ปัญญาสอนจิตให้เป็นกลางลงไปให้ได้แต่ทีแรกนี่มันก็คงเป็นกลางอยู่ได้ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อยังไม่ถึงที่สุดนะและ้วเผลอๆมันก็เอียงไปจากความเป็นกลางไปอยู่บ้างแต่ว่าเมื่อรู้ตัวแล้ว ก็กำหนดที่ารณาให้เห็นแจ้งตามเดิมแล้วก็ให้ใจเป็นกลางอยู่ตามเดิมถ้าไปไปแล้วเผลอเผ อ, อมันรู้ตัวว่าจิตมันเอียงไปเวลาไหนขณะไหนก็กำหนดที่เจรณาให้เข้าถึงความจริงแล้วจิตก็จะได้เป็นกลางอยู่ตามเดิมอย่างนี้แหละการเจริญวิปัสนางานนี้ ความมุ่งหมายที่พระศาสดาทรงสอนนั่นก็เพื่อที่จะให้รู้จริงในสังขาร น, นามรูปอันนี้ตามเป็นจริงแล้วก็จะได้วางกิตให้เป็นกลางอย่างนี้เรื่อยไปเมื่อปัญญานี่มันจเจริญ ม, มากขึ้นแก่กล้าขึ้นโดยลำดับไปแล้วอย่างนี้นะจนไปถึงอธิปัญญาเรียกว่าปัญญายิ่ง เช่นนี้อะอริยมรกอันมีองแปดประการนั่นมันก็จะมารวมลงเป็นดวงปัญญาดวงเดียวออนั่นแหละมันจะมารวมลงที่ปัญญาเท่านี้เองนเพราะว่าการเจริญมรกอันมีองแปดประการนั่นอะความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะให้จิตมันเป็นกลางแล้วก็ให้เกิดปัญญาอันยิ่งขึ้นนั่นแหละจุดมุ่งหมายนะ ทีนี้เมื่อปัญญามันยิ่งขึ้นไปได้แล้วบรรดามรรคอันมีองศาตประการนั้นะมันก็ไปรวมเป็นองค์อันเดียวนั้นน ะ, ะนั่นแหละถ้าเมื่ออริยมรรคมันรวมลงเป็นหนึ่งลงไปได้แล้วอย่างนี้มันจะมีกำลังเข้มแข็งมากสามารถที่จะละสังโยชน์คือว่าการที่จิตใจไปผูกพันกับ นามกับรูปกับกิเลสความยินดียินร้ายต่างๆโมนี้นะ ม, มันก็จะละความยึดความถือเหล่านี้ขาดออกไปจา ก, ก จ, จิตใจถ้าละไม่ได้หมดก็เรียกว่าละให้ขาดไปโดยเอกเทศเช่นนี้แหละมันก็ขึ้นอยู่กับกำลังของอริยมรรค เมื่ออริยมรรคมันรวมกำลังได้เต็มอัตาแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าสามารถละสังโยชน์ได้ทั้งสิบประการนั้นที่ท่านเรียกว่าเป็นพระอระหันต์นี่ลองพิจารณากันดูข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่เมื่อก่าวโดยสรุปแล้วก็มุ่งหวังที่เราปฏิบัติไปเพื่อให้ละให้ถอนความยึดมั่นถือมั่น เรื่องที่เป็นอดีตอนาคตเมื่อละเรื่องอดีตอนาคตได้แล้วก็มาเพ่งพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องที่เป็นปัจจุบันในสังขาร น, นามลูกที่เป็นปัจจุบันอยู่นี้เพ่งพิจารณาด้วยอำนาจแห่งสมาธิด้วยอำนาจแห่งปัญญามันก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลย เพราะว่าถ้าืนยืดมั่นถือมั่นว่าอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์นั่นแหละจึงว่าไม่ควรถือมั่นนั่นแหละเมื่อปัญญาสอนจิตเข้าไปบ่อยๆเข้าไปอย่างนี้มันก็ละความยึดมั่นถือมั่นไปได้โดยลาดับไปนี่เป็นอย่างนี้เรื่องอย่างนี้นะมันก็ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามเมื่อเรารู้จักแนวทางที่ถูกต้องแล้ว ก็ไม่ใช่ว่ามันจะหลุดพ้นไปทีเดียวเลยในเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าเต็มที่แล้วมันยังหลุดพ้นโดยเด็ดขาดไปยังไม่ได้ก่อนหรอกเราก็บำเพ็ญไปอย่างนี้แหละอินทรีย์มันก็ค่อยแก่กล้าไป uh. อย่างว่าสินอย่างนี้นะเมื่อเรารักษาสำรวมระวังไปเสมอเสมอมันก็แก่กล้าขึ้นก็เป็นอัธิสิน uh. ไปอย่างนี้แหละ เรว่าสีนยิ่งสมาธิเมื่อเราพยายามฝึกไปพยายามโน้มสติเข้าไป เ, ออเพ่งอยู่ภายในให้ใจนั้นมันสงบลงไปละนิวรณทั้งห้าขอที่จะเจริญวิปัสนาได้อยู่แต่ถ้าให้ ละเอียดจริงจังลงไปแล้วก็ต้องทำจิตให้อย่างลงไปจนถึงอัปปนาสมาธินั่นแหละมันถึงจะถึงขั้นปัญญาอันละเอียดสุขุมสามารถที่จะละกิเลสอันละเอียดได้กิเลสที่มันละเอียดมากทีเดียวดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้สอนให้เจริญ ศีล ส, สมาธิปัญญานี้ให้ละเอียดเข้าไปโดยลำดับถ้าหากว่าไม่ละเอียดเข้าไปอย่างนั้นก็จะไม่สามารถจะรู้กิเลสอันละเอียดนั้นได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะละกิเลสอันละเอียดนั้นได้<ม>เป็นอย่างนั้น <c oughs> อุปมาเหมือนอย่างโรคไข้ไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเรานี่นะโรคบางชนิดนี่ โอ้มันละเอียดแล้วอจริงจริงหมอบางคนก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้เลยอย่างนี้แหละโรคบางอย่างนั้นถึงกับว่าต้องได้ใช้กล้องทุลัศต์ส่องขยายออกดูจึงสามารถรู้ได้ถ้าจะมาเพียงอาศัยเครื่องวัดหัวใจอาศัยเครื่องจับชีพรจร อะไรหมู่นี้นะเป็นเครื่องพิสูจน์ดูโรคอันละเอียดแล้วออย่างว่านี่นมันไม่สามารถจะรู้ได้ก็มีเป็นอย่างนั้นโรคในกายของคนเรามันก็ยังละเอียดถึงขนาดนั้นนะโรคในจิตใจของคนเราคือกิเลสนี่มันก็ละเอียดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการเจริญศีลสมาธิปัญญานี่ก็จึงต้องพยายามเจริญให้ ละเอียดเข้าไปโดยลำดับอย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับความภาาเพียนพยายามนี่แหละก็ขอให้พากันเข้าใจพยายามเมื่อเราเข้าใจหลักแห่งการปฏิบัติดังกล่าวานี่แล้วเราก็พยายามบำเพ็ญไปตามหลัก ที่ถูกต้องหลักอันใดเมื่อเราทําลงไปแล้วใจสงบลงได้รวมลงได้อันน้มก็เรียก ว, ว่ามันถูกหลักแล้วก็เรื่องใดๆที่เกิดขึ้นเราสามารถพิจารณารู้แจ้งเห็นจริงได้ด้วยปัญญาอย่างนี้นะนี่ก็ชื่อว่ามันถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตาม ทำสอนของพระเเจ้าดังกล่าวมาขอยุติลงเพียงเท่านี้